พระธรรมเทศนาแผ่นที่59าลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สองพฤษภาคม2554ีมีชื่อเรื่องว่าธรรมปฏิบัติวันนี้เป็นวันพระใหญ่แหลง14บ่ําำเรือน5 งกับวันที่สองพฤษภาคมพุทธศักราช2554วันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันนี้ตอนเย็นพวกเราได้วายพระสงฝ่ายพระสงฆ์ก็ได้ลงอุโบสถวันนี้ ากนั้นก็ได้มารวมกันปฏิบัติธรรมฟังตรงพ่อให้โอวาดเลือ ว, ว่าเก่าสัมโมโธนยกถาพวกเราได้มาอยู่ด้วยกันทั้งป่ายพระและพวกฝ่ายญาติโยมได้มารวมกันแล้วก็ควรจะพูดธรรมะให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษา ถ้าพวกเรามาด้วยกันแล้วไม่มีการพูดการกล่าวก็รู้สึกว่าจะห่างเหินจืดจางไปเรื่อยๆเพราะนั้นธรรมะทรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องเอายกประเด็นขึ้นมาพูดให้การฟังเป็นแนวความคิดเป็นหนทางเป็นแนวปฏิบัติ เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็เป็นแนวความคิดแต่ละครั้งจากนั้นพวกเราก็จะได้นําไปประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของพวกเราการได้ยินได้ฟังที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวถ้าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้รับการศึกษาต่อไปก็เจือจางหายไปเรื่อย แต่การได้ยินได้ฟังถ้าพวกเราฟังแล้วนำมาคิดนำมาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลในเรื่องที่ได้ยินได้ฟังพวกเราก็จะรู้วิถีทางเดินไปในทางที่ถูกต้องแต่ถึงยังไงการได้ยินได้ฟังทุกวันนี้ถ้าพวกเราใส่ใจในการฟังในการศึกษา มีหลายทางทีเดียวเพราะเครื่องอัมวยอันวยความสะ ด, ดวก อ, อิเล็กทรอนิกส์การไฟฟ้อ ง, ไฟ ฟ, งไฟฟ้าเจริญอัดเสียงคูบาจานเอาไว้ไม่รู้ว่ากี่องค์เราจะฟังองค์ไหนแนวความคิดของท่านเราก็ยังเปิดฟังได้ และก็พร้อมกันหนังสือที่เป็นธรรมริคิดของท่านเราก็พร้อมที่จะเปิดดูได้ทั้งฟังเสียงท่านได้ด้วยทั้งอ่านเป็นนังสืออ่านแล้วไม่เข้าใจครั้งหนึ่งอ่านซ้ำสองก็ยังได้แต่ถึงยังไงทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างองค์หลวงตาหรือว่าหลวงปู่ล่าหรือว่าครูบาอาจารย์องค์อื่นๆถ้าพวกเราจะได้ได้สังเกตท่านไปศึกษากับองค์หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาท่านพูดยังไงท่านก็ได้ยกประเด็นเรือกแนวความคิดหรือการพูดขององค์หลวงปู่มั่นมาขยายผลให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอีกท่านพร้อมกัน ท่านก็เป็นแนวความคิดของท่านอกีกจากนั้นท่านก็ได้นำทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ศึกษาออกมาตีแผ่ขยายผลให้พวกเราได้ฟังอกีกถ้าพวกเราใฝ่ในการศึกษาเราจะรู้ได้แนวทางต่างๆแต่ว่าถึงยังไง เป็นแนวทางที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราที่นำพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวแนะนําพวกเราถ้าเราสังเกตดูให้ดีเท่ากับไปในแถวแนวเดียวกันคือชี้ถึงมรรคผลนิพพานชี้ถึงว่าจะทํายังไงจิตใจของเราจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิด เอกแต่ว่าหากว่าพวกเรายังไม่ชำระใจยังไม่ชำระกิเลสออกจากใจยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะยังอยู่ในจิตวิญญาณอยู่ในใจของเราอยู่ยังสกายของเรายังมีเสนิมอยู่พร้อมที่กิเลสเหล่านั้นพร้อมที่จะทําร้ายทําลายใจของเราให้เป็นหลุมเป็นบ่อลุ่มลุ่ ม, ร, มรอนรอน ไม่สม่ำไม่เสมอไม่เรียบราบเพราะเหตุใดพวกกิเลสมันกัดกิเลสลาคะขึ้นมาเป็นยังไงมีความรู้สึกอย่างไรกิเลสโทสะขึ้นมาเป็นอย่างไรกิเลสความโลภขึ้นมามันเป็นยังไงมันแสดงอากับกิริยาของกิเลสแต่ละอย่างเนี่ยสนิมแต่ละหลุมมันเกิดที่ใจของเราแปลว่าใจของเราเนี่ยไม่ปกติ ใจของเราหวันไหวไกวแกว่กวงเทาะเพาะกิเลสเหล่านั้นเขามากัดมาแทะมาชัยจิตใจของเราใจของเราก็วันไหวไม่ปกติเพราะนั้นพวกเราให้สังเกตถ้าพวกเราไม่สังเกตพวกเราไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ นำมาประพุทธปฏิบัติพวกเราจะสังเกตไม่ออกถ้าพวกเราไม่ได้นำธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแบบฉบับมาเป็นบรรทัดฐานมาเป็นแนวทางเป็นเข็มทิศหรือว่าเป็นแนวทางที่จะดูเข้าไปสู่จิตใจไม่มีไม่มีไม่มีช่องทางอื่นเกิดขึ้นมาแปลว่าชาตินั้นก็แปลว่าชาติที่ตายเปล่า เพราะ เ, รเพราะว่าไม่ได้การไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้มีผู้ชี้นาชี้แนะไม่มมีผู้พานําไม่มีผู้พานํานประพฤติปฏิบัติแล้วพวกเราจะรู้ได้จะรู้จริงเห็นจริงได้อย่างไรโดยมากก็แปลว่าพบนั้นชาตินั้นก็กิเลสราคะโทสะโมหะมลุมมะตุงนะแล้วก็ตายไป และก็จบไปเพราะนั้นท่านจึงว่าพวกเราเกิดมาที่ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าได้พบโอวาทของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพาประพฤติปฏิบัตินับว่าชาตินั้นเป็นชาติที่โชคดีที่สุดไม่เสียชาติเกิดพูดอย่างนั้นได้เพราะเหตุไรพวกเรานึกตานึกดูซิทบทวนดูซิ ถ้าหาว่าพวกที่เกิดมาไม่ได้พบพุทธศาสนาและเป็นยังไงเป็นชีวิตอะไรแต่ว่าเขาจะไปตกนรกปกไหมทีเดียวก็ไม่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นบางทีเขาก็ได้เป็นมีอุปนิสัยได้ประพฤติธปฏิบัติธรรมได้เป็นดุสีชีภายและเป็นนักพจนักบวชพอเขาเกิดมาอุปนิสัยเก่าดั้งเดิมเขามี อย่างพระโพธิสัตว์กเนี่ยพอเกิดขึ้นมาท่านก็อยากจะบวชอยากจะออกปฏิปฏบัติธรรมอยากไปปฏิบัติเนธธรรมมะจะถือพจ์จะถือพจอ พ, พรหมจันทร์อยู่ในป่าดงพงไพใครเป็นผู้แนะนําสั่งสอนท่านก็คือสันดรสันดานอุปนิสัยเก่าแก่ดั้งเดิมที่ท่านมีอุปนิสัยจากนั้นท่านขอหนีเข้าป่าดงพงไพ ไปศึกษาอยู่ในป่าหงพงไพคล้ายๆว่าเป็นอุปนิสัยเก่าดั้งเดิมอันนี้ก็ต้องมีอยู่มิใช่ว่าพอเกิดมาแล้วไม่ได้พบพระพุทธศาสนาก็จะว่างเปลา่าท้ายไปทั้งหมดกพราะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าเกิดขึ้นมาแล้วท่านมีอุปนิสัยเก่ามีบุญเก่าวาจนาเก่าที่เคยประพฤติปฏิบัติมา อย่างน้อยท่านก็ได้ดูแลบิดามารดาของท่านได้ช่วยเหลือชุมชนสังคมมีจิตตะมีจิตเป็นกุศลมีจิตเสียสละมีน้ำใจมีเมตตาเห็นเพื่อนมนุษย์อยากจะช่วยให้พ้นความทุกข์ยากลําบากอย่างเศรษฐีเมือง น, นอกพวกเราได้ยินเขาก็ไม่ได้รับทำคําสอนของพระพุทธเจา้าแต่เขาเสียสละ มากมายมหาศาลเพลิเพลิยังกว่าพวกเราที่นับถือพระพุทธศา ส, สนาอีกจะโดยซ้ำไปเพราะเขาเห็นแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อโลกยังไงเขาก็ตัดแบ่งออกไปเลยก้อนบักใหญ่เลเบอรลาอย่างที่พวกเราได้เห็นคนทนั้งหนก็ได้ชมว่าเขามีน้ำใจทั่วโลกเพราะเหตุใดถ้าไม่ใช่เขามีบุญบา ร, รมีหรือเขา ได้บอมเพนมาในอดีตชาติเขาคงจะทำอย่างนั้นไม่ได้เขาคงไม่มีน้าใจถึงขนาดนั้นเขาจะแบ่งให้ใครเพราะเขาหาด้วยความทุกข์ยากลำบากแต่นี้เขามีอุปนิสัยเขามีบุญเก่าเขาจึงยอมเสียสละมีน้าใจมีเมตตาอยากจะช่วยโลกช่วยมนุษย์โลกเพื่อมนุษย์โลกที่มีทุกข์กว่าได้รับความ ร่มเย็นเป็นสุขเพราะทรัพย์สมบัติของเขาอันนี้คือถ้าจะพูดไปหลวงพ่อเองหลวงพ่อว่าเขาต้องมีอุปนิสัยเคยประพฤติปฏิบัติเคยเป็นนักพทษนักบวชรลอเคยได้พบพระพุทธเจ้าในอดีตชาติเขาจึงรวยถึงขนาดนั้นอั น, น้สงของเขาได้ทำบุญกับ พระปฏิเจติพุทธเจา้าหรือได้ทําบุญกับพร ะ, พ, ระพุทธเจา้าหรือได้ทําบุญกับพระอระหันต์มาก่อนแล้วนิสัยดั้งเดิมเขามีลึกๆฝังอยู่ในใจของเขาพอได้มาทรัพย์ได้มาแล้วเขาก็ไม่ลุ่มหลงในทรัพย์เพราะเหตุไรเพราะอีกสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องหนีจากทรัพย์ก้อนที่เขาหามาได้นะี่เอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างแต่เขาจะทํายังไงเขาจึงจะให้เกิดประโยชน์ต่อโลก นี่แหละอันนี้เขาก็ต้องมันออกมาจากก้นบึ้งของใจทีเดียวเลยมันออกมาแล้วทั้งเขาก็ตัดใจเสียสละเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อโลกแต่ส่วนหนึ่งเขาก็เก็บไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตร ะ, ะกูลของเขาวงศ์สาคนาญาติของเขาแต่ส่วนหนึ่งเขาก็แบ่งปันนี่แหละคนเช่นนั้นถ้าเขาไม่ไปสู่สวรรค์แล้วจะไปที่ไหน อใ น, นสงทานของเขามีเขาต้องไปสู่สวรรค์ถึงจะไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาถึงจะไม่ได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเขาไปเกิดผิดที่ผิดทางแต่เขาก็พร้อมที่จะไปสู่สวรรค์ได้เพราะเหตุไรเพราะเขาเดินไปในทางไปในทางที่ถูกต้องไปในทางไปสู่สวรรค์คือการเสียสละแต่สวนที่จะไปพรมหรือนิพพานนั้นต้องภาวนา ถ้าทำแต่บุญทานกะสินเท่านั้นจะไปสู่สวรรค์แต่ถ้าว่าผู้ใดภาวนาด้วยทำจิตใจให้สงบเราเองก็ไม่ควรจะบอกว่าเขาไม่ภาวนาแต่เขาก็พยายามถ้าเขาเวอ่อเผื่อเขาทำอย่างนั้นแล้วเขาทำจิตใจให้สงบจิตใจของเขาเป็นสมาธิจิตใจเขาไม่ปุง่งไม่ฟุ้งไม่สา่น จิตใจหงออยู่กับตัวอันนั้นก็พร้อมที่จะไปสู่พรหมได้เหตุหลายเพราะเป็นสมาธิจิตใจงอเป็นเกิดฌานญานณทัศนะเกิดฌานจิตใจนิ่งจิตใจสงบจิตใจไม่ปรุงไม่ฟ้งไม่ซ่านเกิดญาณทัศนะขาก็พร้อมที่จะไปสู่พรหมได้ถึงจะไม่นับถือศาสนาของพระพุทธเจ้าก็เป็นไปได้ อย่างเหมือนกับลือีชีพายอยู่ในป่าในว่างเว้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าในระหว่างกลางนะอย่างพระพุทธเจ้าโคตมะอย่างนี้ในระหว่างกลางพระศีอริยะเมตรัยอย่างนี้ยังไม่มีพระพุทธเจ้าผู้คนก็ออกบวชเป็นลือีชีพายลืีชีพายก็แนะนาสั่งสอนให้ภาวนาทาจิตใจให้สงบ เพ่งไฟเพ่งน้ำเพ่งดินเพ่งกสินทำจิตใจให้เป็นหนึ่งใจของเขาก็สำ้ำรวมรู้วาใจของเขาสงบเกิดฌ า, านเกิดญาณทัตนะในในระหว่างนั้นหรือสีบางท่านก็ยังมีอิทธิฤทธิ์คือโลกะโลกียะเหา ะ, หะเหินเดินฟ้าได้ดำดินบินบนได้แสดงฤทธิ์ได้ก็มี ในบางยุคบางสมัยบางฤาษีบางโทนก็เป็นทั้งห้าอเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ตวรวจกันทั้งหมดก็ยังมีท่านบอกว่าในถ้าว่าฤาษีเหล่านั้นตายจากชาตินั้นมีจะไปพรมไปพร ม, มโลกอ่าสวยปีติสุขเอกกตามีแต่ความสุขของพรมแต่ถ้าว่านอกจากนั้นรงมาณผู้ไปทําบุญทําทานกับฤาษี สืลือสีแนะนําสั่งสอนให้มีศีลห้าไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันและก็เสียสละต่อพี่น้องประชาชนแต่เขาภาวนาอย่างไม่ได้เขาก็ไปสู่สวรรค์เน่ยนี่แหละไม่ใช่ว่าแต่ในพบพระพุทธศาสนาแต่ว่าพระพุทธศาสนาโดยตรงที่พวกเรามาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธองค์สอนโดยตรงมีทุกระดับ มีทุกระดับชั้นเหมือนกับสินค้าอยู่ในห้างสปปรรพสินค้ามีทุกระดับเอ่อย่างที่เขาว่านะสะสะ ก, กระเบือจันเหลือรบอย่างนั้นอะ่ะคือต้องการอะไรต้องการมรรคผลเหรอต้องการนิพพานเหรอต้องการพรมเหรอต้องการสวรรค์เหรอต้องการมนุษย์โลกเหรอหรือเราต้องการเป็นสัตว์ที่รช้ชั้นต้องการเป็นเปรตต้องการตกนรก เลือกได้ทั้งนั้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราพราะนั้นเราจึงว่านับว่าเป็นผู้โชคดีอท่านหนึ่งแต่พวกเราบางครั้งเราก็อยากจะได้ดีอยู่แต่มันไปไม่ถึงแต่เห็นดูแต่เอาไม่ได้อย่างเนี้ยอย่างที่ลุงพ่อเปรียบเทียบสมัยก่อนเก่าเครื่องมือของเขายังไม่พร้อม เครื่องมือของยังไม่ไม่ดีพอเขาเห็นแร่ทองคําทองทองคําขาวเขาเห็นแร่ทองคําขาวเขาก็พยายามเผาแร่ทองคําขาวออกมาใช้ประโยชน์แต่บางครั้งเขไม่สําเร็จเพราะเหตุไดเพราะอุณหภูมิของเขาไม่พอในยุคส ม, มัยนั้นถึงจะใช้ทานเป่าขนาดไหน มันก็ไม่ละลายเพราะเหตุไรเพราะว่าทองคําขาวนั้นต้องใช้ความร้อนอุณหภูมิเป็นพันเป็นพันโวล์มันจึงจะเผาละละลายได้แต่นี่เราเผาเพียงร้อยสองสมร้อยโวล์มันไม่ละลายแต่เหล็กทองแดงทองเหลืองมันละลายหมดแต่พอทองคําขาวนั้นมันไม่ละลายเผายังไงก็ไม่ละลายคนโบราณเขาก็ยอมแพ้เหมือนกัน ถ้าจะเผาทองคําแร่ทองคําขาวแล้วต้องเอาจริงเอาจังต้องล ง, ลงทุนมากนี่แหละเขากรอยากจะได้ยุคแร่ทองคําขาวใสสะอาดบริสุทธิ์อ่าเป็นทองคําที่ราคาแพงกว่าทองคําเหลืองทองคําขาวแต่เขาทาไม่ได้แต่จุกนี้สมัยนี้ทุกวันนี้เขาทําได้เพราะเหตุใดเพราะเครื่องมือเขาพออ่าเขาจะเอากี่โบนเอาละลายเมื่อไรก็ได้ พราะเครื่องมือเขามีนี่ก็เหมือนกันนะ่ะสมัยก่อนเราไม่ได้ศึกษาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราอยากจะได้มรรคสู่มรรคผลแต่เราทําไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะเราไม่รู้จักวิธีแต่บัดนี้พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนพวกเราแล้ววิธีการทําสมาธิทํำยังไงวิธีการเดินปัญญาเดินยังไง วิธีจะตัดกิเลสภายในจิตใจทำยังไงท่านสอนไปหมดนะวิธีการที่จะหลอมหลอมหล่อห ล, อ, ลอมจิตใจของเราไปสู่มรรคสู่ผลจะให้เหมือนกับเผาทองคำให้ละลายนะท่านวิธีมีวิธีการอย่างไรใช้ไฟฟ้าอย่างไรเผาด้วยอะไรจึงจะหลอมทองคำขาวออกมาใช้งานได้ ปีคุณข้าอย่างยิ่งเมื่อล้อมได้แล้วนี้ก็เหมือนกันพวกเราต้องใช้ธรรมคือศีลสมาธิปัญญาตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนพวกเราขอให้พวกเราตั้งใจเอาให้มันจริงจังเท่านั้นแหละใ้เมื่อพวกเราทําได้และจริงจังและจรงจิงใจแล้วนั่นแหละมรรคผล น, ผนิพพานก็จะเกิดกับพวกเราไม่ต้องสงสยัย เพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเดินผ่านไปแล้วท่านจะโกโหกได้ยังไงท่านเมื่อไดท่านได้รู้ได้เห็นยังไงท่านก็ต้องบอกกล่าวตามที่ท่านได้รู้ได้เห็นเพราะนั้นพวกเราให้ปฏิบัติตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำบอกกล่าวพวกเราก็จะสำเร็จมรรคสำเร็จผลไม่ต้องสงสัยพูดอย่างนั้นได้ เพราะเหตุใดเพราะกระดูกของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ที่พวกเราเคารพนับถือได้กลายเป็นพระธาตุให้แก่พวกเราได้เห็นอยู่แล้วเราก็เชื่อมั่นว่ากระดูกของท่านได้เป็นพระธาตุคือกระดูกพระอรหันต์ไม่เป็นกระดูกอย่างอื่นเพราะนั้นพวกเราจึงมั่นใจว่าผู้ปฏิบัติตามำคําสอนของพระพุทธเจ้า ตามคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติมากอดแล้วนะ่ะมั่นใจว่าท่านไม่โกงกพวกเราแนะ่ท่านต้องบอกให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะนั้นให้พวกเราศึกษาทีนี้ท่านปฏิบัติอย่างไรในแต่ละองค์ในแต่ละท่านท่านทำอย่างไงแต่ก็ไม่เหมือนกันนะ mm. บางองค์ท่านก็เล่นทางหนึ่งบางองค์ก็เล่นทางหนึ่ง จีงเดินเข้าไปสู่มรรคผลแต่องค์ลวงตาของเราเนี่ยท่านก็บอกเลยว่าที่ท่านตั้งจิตตั้งใจหลับใจได้ทีแรกทีแรกท่านก็กําหนดเพียงแต่กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกแต่มันก็หลุดได้ง่ายอันนี้ วิธีการของท่านท่านบอกแล้วนะท่นี่วิธีการของท่านท่านจะเดินไปสู่มรรคผลท่านเดินอย่างไรนจากนั้นท่านก็พอกําหนดตัวคนมกระดุลเสื่อมอยู่เรื่อยพอภาวนาไปก็เสื่อมอยู่เรื่อยเอธรรมะมันเสื่อมเราขาดความบริกรรมหรือเปล่าจา ก, กท่านข้อท่านเน้นเรื่องคําบริกรรมท่หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนะฟังหน่ยซิ จากนั้นเท่ากับกำหนดทุกยทกยบทบังคับในการกาหนดนั้นท่านว่าใช้การบังคับบังคับให้มันทำงานบังคับไม่ให้มันไม่ให้มันทะเลทลายบังคับไม่ให้มันออกนอกลู่นอกทางบังคับให้อยู่กับกรรมฐานหายใจเข้าพุทธายใจออกโถ เวลาขาก้าวก้าวเดินขาขวาพุทธขาซ้ายโถเวลาปัดกวาดทุกอริยบทพยายามไม่ให้มันเผลอรู้อยู่ตลอดเวลาในอริยบทนั้นนอกจากนั้นกับการก้าวเดินกับพุทธโทเลยขาขวาพุทธขาซ้ายโถเวลานั่งก่ลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถนี่แหละท่านบอกว่าสามวันวันแรกรู้สึกว่าหนักมาก ไม่มีอะไรที่จะหนักยิ่ยงกว่าบังคับจิตถ้าอยู่กับตัวเองการงานที่มันผ่านมามากมายมหาศาลที่ว่างานดักดั ก, ดกแดดตาดขนทำไร่ทานาทำงานหนักๆเนะ่ยสู้งานที่บังคับใจอยู่กับกรรมฐานเนี่ยไม่ได้อันนี้หนักกว่ามากใกล้ว่ามันดูมันดูใจจากนั้นวันที่สองก็ยังหนักพอวันที่สามรูม้สึกเบา เบาขึ้นจับเงินได้บังคับอยู่คล้ายๆแบบมันควรแกการงานอ่างเีพอบังคับไม่ให้มันออกไปมันก็อยู่เน่งพออยู่ได้พอต่อมาวันที่สี่ที่ห้าจึงมั่นใจแล้วว่าตอนนี้ไปใจของเราจะไม่เสื่อมเรารู้จักวิธีการแล้ว น, ะนี่เราให้พวกเราฝึกฟังนะศึกษานะนี่แหละคือวิธีแนวทางขององค์หลวงตา จากนั้นก็จิตใจของท่านก็มั่นคงเป็นสมาธิจนว่าติดในสมาธิแห่เดินไปกราบหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นก็สอนให้ออกทางปัญญาให้พิจารณาร่างกายให้เป็นอสุภะปฏิกูลให้เห็นร่างกายของตนเองแหจากนั้นเมื่อท่านพิจารณาแล้วก็จนตะลิดเปิดเปิงไปอีกหลวงปู่มันก็บังคับบอกให้เข้าสมาธิด้วยอย่าไปพิจารณาแต่ทางด้านปัญญาอย่างเดียวเวลา มันตลิดเปิดเปิงมันเหนื่อยก็ต้องเข้าสมาธิเมื่อพิจารณาให้ยศสมาธิแล้วเดินปัญญาคล้ายๆวัดทํางานไปด้วยแล้วก็พักผ่อนพักผ่อนพอประมาณเดินท่าวัดเห็นว่าการพักผ่อนเสียไปร่ำเวลาไม่มีประโยชน์มีได้ทางานทั้งวีทั้งวันทั้งคืนพวกเราคิดดูกันแล้วกันมันก็เบอไปเหมือนกันเพราะฉนั้นต้องพักผ่อนในเมื่อพักผ่อนแล้วก็เดินปัญญาในเมื่อไเดินปัญญาพอสมควรแล้วก็พักผ่อน นี่แหละพอเหมาะจากนั้นสรุปแล้วก็คือเ่พักการพักผ่อนคือเข้าสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ปรุงไม่พุ้งไม่สานไม่ต้องคิดอย่างอื่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวจิตใจก็พักผ่อนเงียบนิ่งจากนั้นพอพักผ่อนพอประมาณแล้วก็กำบังคับให้ออกไปทํางานพิจารณาเกสาผมโลมาขนน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนัง พิจารณามังสังเนื้อเอ็นกระดูกเกื่อนในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผื้ดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าของร่างกายเราพิจารณาดูสิว่าร่างกายของเรานี่เป็นอย่างนั้นไหมจากนั้นมาพิจารณากายของเรากับพิจารณาดูใจใจของเรามาลุ่มหลงกับร่างกายนี้ใช่ไหมร่างกายนี่จะอยู่โช้ฟ้าดินสลายไหมร่างกายของเราเนี่ยเป็นยังไงอู่พงถาวอลไหม ร่างกายนี่จะอยู่นานสักเท่าไหร่จะไม่แก่ไม่เจ็บอย่างไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมเราเป็นทุกข์กับร่างกายนี้ใช่ไหมร่างกายเนี่ยเราจะเลี้ยงดีขนาดไหนมันฟังเราไหมอยากแก่นะอย่าเจ็บหนนะ่ายนะอย่าตายหนะ่ากายนะมันฟังเราไหมสรุปแล้วก็คือให้ดูกายดูใจดูใจดูกายดูกายดูใจตัวไหนเป็นผู้หลงใจเป็นผู้หลงกายเท่นี่แยกออกได้ชัดเจนเท่นี่ย ในเมื่อเห็นใจตัวเองนะทีเมื่อเราเห็นกายเสร็จแล้วเราก็เห็นใจในเมื่อเห็นใจคื อ, ค, อความรู้สึกนึกคิดนะนะ่ะตัวใจไปหลงร่างกายเราก็ไปหลงทำใหม่ไปหลงร่างกายทำใหมถึงจะดูแลดดีค่ะอย่างไงอย่างไงมันก็เท่านั้นจักรายนี่นะมันไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ของวิเศษที่โสไม่ใช่ของจะเจริญรุง่งเรืองไปข้างหน้านะมีแตะวันแก่ อีกสักวันหนึ่งก็รอวันเจ็บอีกสักวันหนึ่งก็รอวันตายมีเท่านั้นใช่ไหมใจเฮใจจากนั้นเราก็เห็นใจของตัวเองตึกรู้สึกนึกคิดของตัวเองนี่แหละการที่ดูใจตัวนี้แหละไม่ให้หลงร่างกายเลยนั่นแหละตัวนี้แหละสําคัญมากเลยนะเพราะหลักของพุทธศาสนาใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเพราะพระพุทธเจ้าเน้นครูบาอาจารย์ทเน้น เรื่องของใจในเมื่อเราเห็นใจของเราดูร่างกายดูกายดูใจดูใจดูกายจากนั้นใจของเรามันหลงอะไรมันหลงร่างกายกิเลสราคะโทสะโมหะมันอยู่ที่ใจมันหลงอะไรเ่ยราคะพอเป็นของสวยงามน่ารักใครชอบใจใช่ไหมมันอุปัติโลคมันเสกขึ้นมาในใจของเราแล้วโทสะมันโกรธไปเพื่ออะไรแล้วมันหลงไปเพื่ออะไร นี่แหละจะนั่งเขมาชำระใจด้วยตปรธรรมคือสินสมาธิปัญญาดูที่ะเห็นดูเข้ามากะนัตความนึกคิดความปรุงของใจเอาเอาสติเอาปัญญาเข้ามาดูใจใจของเราก็ น, นึกคิดมันปรุงมันออกไปข้างนอกมันกระดุกกระดิกกรุกริกกรุกก ร, กกริกไปทางดีไปทางชั่วไปทางบุญไปทางบาปมันจะคิดตกตลอดใจตัวนี้นะมันเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลา สิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรานะอ่ใจนะสิ่งที่มันกระดุกกระดิกไม่ใช่ตัวตนของเรานะใจนะปฏิเสธตรงกระดานใจของเองหรือยังไม่ใช่ของเราเมื่อปฏิเสธใจแล้วสิ่งไหนมันจะเกิดขึ้นความรู้ความรอบคอบอมตะธาตุอมตะธรรมมันจะเกิดขึ้นในจุดนั้นมันจะเกิดขึ้นในจุดที่ เราฟู้แจ้งเห็นจริงเหมือนตะขอนเราโง่เราเรียนหนังสือไม่ได้แต่เราเรียนหนังสือได้แล้วเรียนกอไก่เกิดขึ้นมาแล้วความฉลาดก็เกิดขึ้นมาในความโง่นั้นที่ความไม่รู้นั้นบวกลบคูณหารเราก็รู้อะไรเราก็รู้คูณมันไปที่ไหนความโง่มันก็ตกไปอันนี้ก็เหมือนกันความลุ่มหลงมัวเมาแต่ก่อนเกา่าว่าร่างกายสังขารเป็นตัวตนของเราเป็นเครื่องอยู่ของเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของเรา เราหวังความสุขของทางด้านร่างกายของเราบัดนี้เมื่อเรารู้แล้วนะ่ะเราปล่อยวางที่ใจของเราแล้วกายก็คือกายไม่กระทบกระเทือนกันใจก็คือใจผู้รู้ก็คือผู้รู้ธรรมก็คือธรรมมันแยกกันคนเป็นคนละแนวกันเลยกายกับใจใจเป็นธรรมทีแล้วอกายถึงจะเป็นยังไงขึ้นไปเราก็รู้ว่าร่างกายมันเป็นเท่านี้ ไอ้อีกสักวันหนึ่งก็ต้องแตกตายสลายแต่ใจของเราเนี่ยก็รู้ว่าเราจะให้ความสําคัญมันมากน้อยอย่างไรแค่ไหนนี่แหละทำคําสอนของพระพุทธเจา้าทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้พวกเราสังเกตนะมันไม่ไปที่ไหนมันเข้ามาสู่ใจของพวกเราทั้งหมดความโง่ก็อยู่ที่นี่ความฉลาดก็อยู่ที่นี่ความรุ่มหลงมัวเมากิเลสราคะโทสะโมหะมันอยู่ในใจทั้งหมด แต่เมื่อเราชำระใจให้บริสุทธิ์นั่นแหละมันจบลงที่ใจปล่อยวางที่ใจเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นที่ใจเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะในฝั่งในฝั่งภาคปฏิบัตินี่แหละเราต้องใช้เครื่องมือเผาหลอมทองคำขาวด้วยจตประธรรมให้บริสุทธิ์ออกมาได้ ต้องใช้ตปธรรมคือศินสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านใช้มาแล้วเกิดประโยชน์แล้วท่านเห็นผลแล้วท่านจึงมาแนะนําพวกเราท่านจึงได้เป็นสําเร็จมรรคสาเร็จผลกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุอย่างพวกเราได้เห็นเป็นประจักษ์พยานในรูปประธรรมแต่ส่วนจิตใจนั้นเรามองไม่เห็นความบริสุทธิ์ในใจของท่านแต่เราเห็นแต่รูปประธรรม กระผิดแตกแตกต่างความมนุษย์ทั้งหลายมากมายทีเดียวฉะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายนะจะอกทางใจก่พุทธปฏิบัตินะอย่าลุ่มหลงอย่าบัวเมาอย่าไปคุกคีตีมงอย่าไปชะล่าใจอย่าไปนอนใจจะตั้งอยู่ในความประมาทให้เป็นผู้เตรียมพร้อมให้เป็นผู้รู้เท่ารู้ทันพวกเราจะได้มีแต่ความสุขความเจริญทางด้านจิตใจ มักผลนิพพานอยู่ที่จิตใจของพวกเราไม่อยู่ที่อื่นการพูดและการแนะแนววันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุดติในการพูดแล้ตอนนี้ไปนั่งสมาธิ